จากไหนข้อสองต้นเดิม ต, ต้นเดิมของมนุษย์เกิดขึ้นในบ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศอะไรก่อนคนที่เกิดมาครั้งแรกชื่อว่าอะไรที่ชื่ออย่างนั้นมีใครเป็นผู้ตั้งชื่อให้เช่นนั้นหรือตำรวจตั้งเอาเองนี่อจินไตยปัญหาข้อนี้น่ะอจินไตยปัญหาได้กล่าวมาแล้วว่าทางพุทธศาสนาน่ะไม่สาหาต้นตอภายนอกของโอกาสโรกไม่สาหาส ต, ต, ต้นตอพระพิจ้าตปนแค่ไม่ใช่ตํารวจไม่ใช่ศาล ก็ได้โมโหกับคนว่าเออคนยิงธนู เ, เนี่ยลูกเต่าลาใครย่วนผอมแค่ไหนบ้านเรือนอยู่ที่ใดนี่หน้าที่ของแพทย์คือหน้าที่ถอนฟองและวางยาทำไมงั้นชีวิตคนบัวจะต้องตายทำมวยไม่นนแค่ทิ้งหน้าที่ทิ้งร่วมยาและเที่ยววิ่งสอบวิ่งซ้อนไปเที่ยวถามเขาว่าเออคนยิงลูกฟองมาต้องคนไข้ท่าเนี่ยมันเป็นใครมาจากไหนคนไข้ตายไปก่อนปนนนานานันหานี้ก็มาหาจิตไปมาหาโลกแตก ถม้่นจะรู้ว่าใครเป็นต้นใจท่างอดสงสัยไม่ได้ได้ต้จของต้งใจมาจากอะไรแล้วต้ตใจต้นใของต้นใอีกล่ะมาจากไหนศาสนาเป็ไม่ไม่มีที่สสุดนี่ศาสนาม่มีที่สิ้สุดเพราะฉะนั้นศาสนาเทววานิยมกินได้ปัดสวะต่อให้เจาว่าพระเจ้าสร้างหมดเวก่แต่ควาจริงเม่เดินึกแวงนะขลยวใจไอ้คนสรังก็เลยขลิวบอกเออแล้วขจาว่าพระเจ้ามาจากไหนตอนนี้นักเคลติยาตก็บอกเกินเอง ถ้าเกิดเองเลออแล้วทำไมต้องมีู้กันล่ะเกิดเองได้เกิดเองได้ดผมก็ว่าคนต้นต่อนเกิดเองเหมือนกันเกิดเองครับปันทมนุษย์เกิดเองถ้าจะว่าจำแ น, น, นวแนวเทวปฏิยานะฮอ้าวเกิดเองแล้วที่นี่ก็ของอาว เ, เกิดเองเหมือนกันแต่ถ้าจะเอากันอย่างกระทับเอาเฉพาะกลับนี้พักจับนี้อย่าไปเอาต้นต่อเอาเฉพาะต้นกลับมนุษย์ต้นจับนี้ผมรู้มาจากไหนรู้เพราะมีบาลีประเทศยืยนยันมนุษย์ต้นต้นกลับนี่มาจากกัมโลช มาากเขามาโลกเป็นลมมาจนมินมงวนดินคือว่าโลกนี้เป็นหมอกเพลิงใช่ไหมควาหมอกหมอกเพลิงเย็นลงเย็นลงไอ้ดินละอุไอ้ดินเนี่ยละอุขึ้นโลกนี้นะ่ะในอากาศ น, นี่มีอาหารมีวิตามินนะ อ, อากาศเนี่พ ญ, ญายิ่งอกว่างวิตามินก็ไม่หมดในอากาศนี้คือโลกก็มีวิตามินก็มีเต็มไปหมดนักวิทยาศาสตร์ในเยอรมันหลังสงครามพยายามจับวิตามินในอากาศมากินเข้าลองสียืนขาโยกินวาตาก็อิ่ม เราจะไปดูถูกฤาษีเมดาวฤาษีกินวตาจันอีโม่ในญ่าหาลูกไหมวาฤาษีใช้กระแสจิตเป็นรือบา้าไปจากวิตามินวิจัยวิตามินในอากาศลงลงลงกระเพาะเพราะนั้นตัวฤาษีจึงกินไม่เป็นโลกขาดอาหารเพราะกินวิตามินในอากาศวิทยาศาสตรนะคนเาพิมพ์ิตามินในอากาศจริงๆมีทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตนะธาตุคาร์บอนมีหมดนี่วิตามิน A อถึงถึงแปดอรอยจะมีถึงแกต่อไปมีพร้อมในอากาศ เขาบอกว่าวิาวธีเอาวิตามินจากอากาศเนี่ยคือเอาแสงเอาแสงนี่เองอยู่ในแสงกันกันกองจับจับแสงนี้มามาเป็นลูกไข่หยดน้ำแล้วกลิ่นกระป๋ายดเดียวเนี่ยอิ่มไปหลายวันดีเดีย ว, ว่างันนี่เขาลักษณะอาหารคลีตนะเทวดานี่จะไปนันจะผมต้องบอกว่าวิทยาศาสตร์ิ่งจะเรีนยิ่งที่ถูกข้อเท็จจริงในประวัติศาสตรในนิพิษศาสตร์ถนัดอีกขึ้นเขาทดลองอาหารคลีตนะ อย่างเขาวาดอะไรที่เป็นโลกเนี่ยที่มัต้องหุงหาอาหารอย่างเรานะ่ะมันต้องไปจากตลาดอย่างเรามนะันท่านกินทิพย์ยา ก, กิน ก, ก็อ้าปากทบเด็กก็อิ่มย่างนี้เองกินอย่างนี้เองมิตรมนุษยธรรมชาติอย่างนี้เองแหละไม่ใช่อื่นไกลเลยเออเพราะฉะนั้นมนุษย์ในต้นผสมอากาศนี่ไม่ได้มาจากไหนหรอกมาจากธรมโลกผสมอากาศนี่ยเป็นกลิ่นมวลดินหอมกลุ่นขึ้นไปกลิ่นมวลดินหอมกลุ่นขึ้นไปในธะรรมโลกแล้วพรมน่นน่ะ เด็เป็นงวนดินนี้แล้วก็ลงมากินม้วนดินกินแล้วรัศมีก็เสื่อมคือพู ด, พดง่ายว่าเกิดเกิดราคะเกิดปัญหาติดติดในรถเป็นราษฎรปัญหาไปพุทโลกไม่ได้เลยเป็นปฐมมนรรุษย์ดยู่สู่พันในโลกมนุษย์นี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าจะถามอย่างใกล้เข้ามาว่าปฐมนปนปมนุษย์กับปฐมกาศนี้มาจากไหนก็ต อ, ตอบได้ว่ามาจากพุโลกมาจากโลกอื่นอพยพมาจากโลกอื่นลงมาในโลกนี้อขึ่นอะไร อยู่จังหวัดไหนอย่เมืองไหนชื่อกัจังหวัดนั้ไม่รู้แต่ว่าแทแๆเขมาชมพูทวีสถานีตัง้งมาที่ชมพูทวีชมพูทวีนี่ไม่ใช่อินเดียได้กล่าวมาแล้วคือคือโลกมนุษย์เหล่านี้แหละทั้งโลกที่อยูชมพูทวีถ้าคุณเจ้ารูกหนึ่งถามบอกว่าอ่า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 สีพายใช่ไหมฮะสีพายคำติพโลอ่าปัญหานี้ผมเคยตอบมาแล้วนี่ครับผมบอกว่าดวงวิญญาณที่มนุษย์เราเนี่โลกมนุษย์เวลานี้เพิ่มขึ้นน่ะไม่ใช่ว่าเวียนว่ายตายเกิดเฉพาะโลกเรานี้เมื่อไหลายเล่าตัดดินฉานมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีตกนรกมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีเทวดามาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีเปรตมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีมาจากจากมนุษย์ในจักรวาลอื่นมาเกิดเป็นมนุษย์ในจักรวาลนี้ก็มี เพราะฉะนั้นมันทานองถ่ายไปเทมาครับเหมือนเรา อ, อพยพครอบครัวเวลาเกิดศึสงครามประเทศหนึงพลเมืองประเทศนั้นก็ข้ามแดนมาเมืองไทยอย่างประเทศลาวเกิดสงครามยิงตึงตังกันในเวียงจยันที่น้องชาวฝั่งซ้ายก็ อ, อกพียบพออยู่เสียพี่จังหวัดอุดร น, น้องคายชั่วคราวตาเพิ่มพลเมืองในน้องคายอุดรขึ้นแต่อย่างเงี้ยทางโน้นก็เบาบางบกคล้องไปมันเป็นอย่างนี้เวลานี้โลกมนุษย์ทวีขึ้นอะ่ะก็เพราว่ามนุษย์โลกอื่นเข้ามาเกิดมาก รูปสัว์ปานหรืัตนรนกมาเกิดในโลกนี้มากแล้วแต่เราสังเกต ด, ดูกันแล้วกันสมัยใดยโลกหักคับข้างด้วยพละชนสมัยนั้นก็สแสดงว่าพวกกลุ่มที่มีบาปได้ทากันตั้งหน้ามาเกิดในโลกนี้คือจะล้างสานโลกเช่นเวลานี้ใคเชื่อเวลานี้เราบอกสิ่งธรรมเสื่อมูวกพละชนมีมากที่มาก่อกรรมทาเข็ญต่อมนุษย์ต่อสัมภาพของโลกอ่ามนุษย์พวกนี้เราก็อาจจะถือว่าเป็นพวกเซตนรกมาเกิดหรือเ็นพวกยักษ์พวอาศู พวกนี้มาถือกําหนดในโลกมนุษย์ดีเพื่อจะบาเพ็ญโลกก็ได้ถ้าสมัยใดมนุษย์นี้มีแต่สาตุชนมาเกิดมาเป็นสมัยที่บ้านเมืองอยู่สุขสมบูรณ์อ่าไม่มีขมุนขจงมีสติภาพแล้วก็ถือว่ามีแต่พวกสาตุชนมาเกิดมาจากเทวภูมิบ้างมนุษย์สุกติภูมิบ้างลงมาเกิดการมาทำกับกฎหมายโลกเพราะฉะนั้นไม่อัศจรรย์เลยเรื่องโลกมากโลกน้อยโลกนี้มากโลกน้อยเป็นเงาตามตัว มรามีที่มาจากสุปตามดูนั่นเองว่าโลกอื่นเ้าหนอนจะแค่ไหนเราเลยลึกว่าเออวิญญาณในโลกนี้มาจากไหนนะมากมายนี่นี่ก็ข้อหนึ่งนะครับอีกข้อหนึ่งท่านวิริยะประพัชโรถามาว่ามีผู้เข้าใจว่าพระพิสุในศาสนานี้เคยบินทบาตกับเทวดาได้โดยเทวดาใส่บาตรได้อาหารแต่อาตามาเคบินธบาตในป่าด้วยฝนมะตูมหล่นเพื่อหมาย่างเขาว่าอ่า โคตรลงหล่นเนเชื่อแนครับเขาไปสงสัยละหล่นตางต้นไม้เนี่ยเชื่อแน่นะฮะผลไม้ที่หล่นเนี่ยแต่ว่าที่เทวดามางไม้ยืนอาหารให้น่ะก็เคยมีปรากฏนะครับเคยมีปรากฏในสมัยโบราณในประการรุ่นอัศจรรยก็เคยขียนไห้ในอัศรรย์นั่นที่ตั้งในลังกานี่แหละเขียนไห้ว่ะรู้กัเทวดาไม่ใส่มามาใส่บาดหรืออย่างเทมากับศึกท่านเข้ามิโรธสมาบัติพอออกจากนิโรกนี่เทวดาจ้องมันใส่บาด ถ้าอินทงกระแปลงบูลมาเป็นมนุษย์ธรรมดาชายแก่มาทําอาหารใส่บาดท้องกับเมียแปลงเป็นตาแก่ยายแก่มาใส่บาดเพราะว่ากระจับจับได้เพราะกลินอาหารนี่เป็นกิน่นผิดของหูมันผิดกลิ่นมนุษย์สามันกินลูกอ่อนหรือข้าววาสล ะ, ะเนี่ยยังมาชิงบุญกับมนุษย์เข้าวนี่เราจะไปตรวจคนยากคนจนจ น, นี่มาชิงบุญซะก่อนต่อว่าถ้าอินก็ต่อมาอย่าทำล่มทีเลนเล่นแสดงละครแบบนี้นะอาตมาไม่ชอบนะเพราะจะไปโกรดพวกมนุษย์เราเนี่ท่านก็มีบุญหนักสักใหญ่แล้ว ท่าะไกลเลยไม่อิ่มบุญนู้ตัวยังจะมาชิงตัดหน้ามนุษย์สายบาทอาตมาอีก อ, อ่าอ่าพระอินทร์ก็บอกว่าโอ้โหก็พระอย่างพระคุณเจ้านะขาเขาเนาที่อยากจะไม่แย่งสายบาทเพราะใครๆก็รู้ว่ า, าสายบาทกับพระคุณแล้วก็บุญกระนั้นจะวัฒนาฐานพินโยยิ่งขึ้นน่ยเพราะฉะนั้นอ่ะอย่าว่าจะตนจะไม่แย่งเลยเทวดาอย่างกระผมก็ยังอยากจะแย่งว่างั้นวากับพระมหากษัตริเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องอำนาจทางสมาบัติถ้าพระที่มีฌานสมาบัติสู ติดต่อกายคิเห็นกายคิดกายคิดก็เห็นพระองค์นั้นองค์นั้นก็เห็นกายคิดล่องใส่บาตเป็นเรื่องธรรมดาเป็นไปได้เป็นไม่ได้ครับเวลานี้ก็ยังมีอยู่แต่ไม่ใช่พระยีนะเป็นไะท ย, ยนะโบราณใช่เรื่องนี้มันไม่จะไม่จะโคตรตายดีนะครับผมคนรายละเอียที่ว่ามีอยู่นะมันจะโคตรตายยีเราก็ไม่ทราบว่าเป็นท่านโู้ใดมีนะมีแน่อท่านผู้หนึ่งถามมาว่าในการปาตักถาทุกครั้งคําขึ้นต้นคําแทนตัวผู้พูด จะใช้กับเด็กจะใช้กับผู้ใหญ่จะใช้กับคนส่วนมากทั้งเวลากรุปเราจะใช้อย่างไรจรึงจะไม่ทําให้เราเตื่องเขินเพาต่อไปจะต้องได้ไปใช้แล้วอันในข้อนี้ก็ดูต้องนิต้องดูบริษัทนะครับสมมติว่าถ้าคุณเจ้าไปพูดไปพูดกับเด็ก<อ>ก็ควรได้คําแทนชื่อว่าเธอพูดกับเด็กเธอเด็กนันกงเรียนนี่แล้วแค่รับไม่ไว่ายิงไม่ไวายายแต่ใช้คำว่าเธอเป็นเหมาะที่สุดเหมาะกระถาลู่ลที่สุดแค่คำว่าเธอ เธอทั้งหลายซึจน้นว่าเธอทั้งหลายจะเริญพรให้่กับเธอทั้งหลายเนี่ยขอความสุขสวัสดีจงมีแก่อ่าเธอทั้งหลายหรือว่าจงมีแก่นักเรียนทั้งหลายก็ได้ถ้าเราไม่ตั้รับผู้ถูงบุดในกลุลนแค่านักเรียนถ้าพูดดยเฉพาะให้คําว่าเธออย่างนี้ก็ได้นะถ้าใช้กับผู้ใหญ่คําแทนตัวผู้พูดก็ใช้อัตมานี่เป็นเหมาะนะถ้าพูดกับเด็กนักเรียนเราใช้คําว่าฉันก็ได้เพราะใช้คําอัตมาบางทีเด็กอาจจะ อ่าไม่รู้บางคนรู้จริงจว่าอาตมาไปแล้วว่าอะไรสาหรับเด็กเนี่ยพอใช้คำว่าฉันพอใช้กับผู้ให ญ, ญ่แล้วใช้อาตมาอันนี้เป็นคำใช้ทั่วไปเลยครับถ้าๆกับคนสูนมากคำศัพท์ น, นามก็อ่าท่านสาธารณชนทั้งหลายคําว่าใช้คำว่าสาธุชนเป็นคํำกลางที่เหมาะเหมาะเหมาะดีที่สุดใครได้ทุกบริษัทคำว่าสาธารณชนไม่ว่าจะเป็นบัณฑิตบริษัทหรือว่าบริษัทสามาัญชาวบ้านตารีภาษาเราใช้คําว่าสาธารณชนเนี่ยเป็นการครอบร่างแหกคุมไปหมดเลย เป็นคําย่อๆใครๆก็อยากจะเป็นสัฟ้าผู้ชนถ้าจะพูดให้มันคมขำซะหน่อยหนึ่งเล่นคำโนวนซะหน่อยหนึ่งอาจจะเข้ามาดูกระสัง้ารผู้ชนทั้งหลายก็ะดาษไปก็ดูกระสังสารเป็นการปลุกปลุกไอความสงใจเอ้ยถ้าคุณจะเอานี้ขูดแบบนี่เขามาดูกระสังมันเก่าๆดีนี่เอาขยับนี้ก็ะดาอย่างนี้นะฮะแล้วส่วนคํำลงท้ายเนี่ยก็เป็นคําให้พรตามธรรมดานะครับทํามาเขาให้พรตามธรรมดานะะ ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแปลกท่านสมุขแช่มพล ะ, ะธรรมโมถามมาจากนครศรีธรรมราชบอกว่ามนุษย์มาจากไหนนะฮะมนุษย์มาจากไหนท่านตอบว่ามาจากเมโลรกฟราบแล้วเทวดาที่อยู่ในเซมารกนั้นมาจากไหนก็ น, นั่นนะสิก็ผมก็ผมมีงเรลียนท่านทราบบอกว่ า, วา ถ้าเราพยายามไปใส่ฟ้าวเรื่องต้นต่อเราก็อดสูงสัยไม่ไดล้ละต้นต่อของต้นต่อของต้นต่อไม่มีที่สิ้นสุดดังที่ว่ามาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรีสอนว่าอย่าไปคิดมันเป็นไอจินตายในโลกอจินดาให้คิดแต่เรื่องทบกับความทุกข์ทุกข์ีกวาถ้าไปคิดอย่างนั้นแล้วเป็นการเหนื่อยเปล่าคิดเท่าไรก็คิดไม่ตกห้ามคิดเป็นไอจินแตยะท่านว่าไว้อย่างั้นผมก็ไม่ทราบพราค่อนนี้ต่อไปได้เหมือนกันเป็นไอจินแตยเหมือนกันเพราะพระพุทธเจ้าห้ามคิด คือคิดไปก็มีส่วนแห่งกวามผูกซึงสร้างอัานว่างั้นไม่กล้าคิดเท่ น, นี้แต่ว่าถักขอจะแย่อีกนิดหนึ่งถ้าจะไม่ตอบก็เลยเราก็เออแย่หน่อยเลยบอกว่ามันไม่มมควรทมแล้วมันจะไหมเราตอบได้อันเดียดด้าหลักก็ถือจากตัวบาศมาจากอวิชาตอบได้อย่างนี้มันจะเจ้าอวิชานี่แหละถ้าถามมาอวิชามันจะไหมกัะตอบว่ามันจะอาสวะตอบนะมันจะอาสวะหากเนทํามาัธยฐานเลย อาสวะมาจามไหนมาจากอวิชาอ้าว oui. ิชาเลยไมาจากอาสวะวนเวียนอย่างนี้ใขรเกิดก่อนไก่ไก่เกิดก่อนไข่เนี่ยไข่มาจากไก่ไก่มาจากไข่ย้อนนี่แล้วใครจะรู้ว่าไข่เกิดก่อนไก่หรือไก่ไก่เกิดก่อนไข่ไข่ก็มาจากไก่ไก่ก็มาจากไข่เนี่ยเราย้อนต่อนี้ต่อเข้าไปนี้ก็แล้วกันเนี่ยวนกลองไม่ให้จากอวิชาแล้วต่อจากอวิชาก็วนให้อาสวะต่อจากอวิชาอาสวะก็ย้อนหาอวิชาอีก แล้วก็ไปหาอาสวไดอีกดอกย่านมันอยู่นี้แหละแล้วก็อยกหลักเปรียบว่าใครเกิดก่อนไก่ไก่เกิดก่อนไข่หรือไข่เกิดแต่ไก่ไก่เกิดแต่ไข่วนเวียนนี้เรื่อยไปให้เขาตอบว่าถ้าแกตอบปัญหาลงว่าไข่เกิดก่อนหรือไก่เกิดก่อนท่านก็ตอบปัญหานี้ได้ก่อนบอกข้างนั้นแล้วเราบอกเราก็ตอบปัญหานี้ได้ให้ตอบมาก่อนต้องใช้วิธีเรื่องคำนวนบ้างนะถ้าสมัคเจอคุณลวนลวนลวนเรา ยากจะให้ตอบแล้วก็าใช้วิธีรวนตอบนิดหน่อยดูดูดดดวิธียืมปัญหาไมนประสิบูชาให้ ใ, หใหเขาตอบออกมาให้เราทราบวายขายกระไก่ใะอันไหนเกิดก่อนใครตอบได้เมื่อหมดหลแล้วก็ตอบปัญหามนุษย์คนแรกหรือค น, ค น, คนๆๆๆๆเพคนหนึ่กเกิดพม่าโลกได้คนแรกให้เขาท้าบนี่เป็นวิธีที่เราต้องปรับปรุงให้เข้ากับสถา น, านออการณ์เอาละครับปัญห า, าวันนี้กูจะตอบไม่หมดนะฮะอ่า เท่าที่บรรยายมานั้นในท่านเจ้าอธิการถนอมถามมานะครับพิตาอยู่โกถามมาเท่าที่ได้บรรยายมานั้นในตอนหนึ่งความว่ามนุษย์ที่เกิดมานั้นต้องเอาวิญญาณจิตชาติก่อนมาด้วยตัดและมนุษย์ที่เกิดมานั้นกิริยาการหรือการกระทําทุกอย่างก็คงเหมือนชาติเก่าทั้งนั้นหรืออันหนึ่งจิตที่ติดมานั้นก็คงเป็นอัตตาอัตามันหรืออย่างไรไม่ใช่อัตามันครับเพราะจิตที่ติดมาไม่ใช่จิตดวงเก่า เป็นจิตดวงใหม่ซึ่งเกิดจากเชื่อดวงเก่าคนละดวงคนละขนาดเพราะฉนั้นไม่ใช่อัตมันถ้าเป็นอัตมันแล้วไม่มีเป็นดวงดวงหรือเป็นขณะดขนาดคนที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวเลยย้ายไปก็ย้ายมาไอคนนั้นแหละนี่แต่ว่าลักษณะการเป็นคุที่ในพุทธศาสนานั้นเป็นขนาดขณะขณะดปฏิคุที่ขณะหนึ่งขนาดจิติขณะหนึ่งแต่ว่าทั้งสองขณะนั้นมีเหตุปัจจัยเป็นเครื่องเชื่อมเหตุปัจจัยที่ว่านี้คือ กระแสของต่ำต่ำมาโสกปาปัญหาโตกปากเป็นเครื่องเชื่อมเชื่อมต่อระหว่างปฏิสุทธิธ์กับจุติระหว่างจูติกับปฏิสุทินะส่วนที่ถามว่ากิรยาายิยาการครจะเหมือนชาติเก่าไม่เหมือนสิครับสันดาลนี่สิครับแก้ไม่ได้เอามาจากชาติเก่าสันดาลสันดานำมนจากชาติเก่าแน่ให้กิริยาการนะักเป็นเครื่องอบวมใหม่ในชาตินี้เช่นว่าชาติเก่าผมไม่เกิดเป็นแพกชาตินี้มาเกิดเป็นไทย จะเอากิริยาการของแขกใะชาติต่พูดไปก็ฝันหัวไปไม่ได้แขกเวลาพูดน่ะคำรับน่ะเขาคอนหัวนะคนที่ไม่เขานึกว่าเอไอ้บังนี่พูดทีไรไปสันหัวปฏิเสธเอาทุกขีไม่ใช่สมมุติเราเขาบอกบังอย่างโน้นอย่างนี้นะเขาเาไม่ตอบว่าใช่หรือจ่าจ่ า, จาลวก็เขาจะใช้วิธีโคลนวิธีรับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคงเนี้ยคงรับคนที่ไปอินเดียใหม่ๆนึกว่าเ อ, ย, อยังไงกันนพูดจาวไม่รู้เรื่องพูดกันทีไรคงหัวปฏิเสธทุกขีไม่ใช่ปฏิเสธเขาครับ ตนนี้มาเกิดเป็นคนไทยแล้วตั้งแต่น้อยคุ้มใหญ่อบรมด้วยระบบทำเนียบประเพณีไทยกิริยาอาการก็เป็นคนไทยสิครับกิริยาภทยนอกเกิดจากการอบรมไม่ใช่เกิดจากสันดานเรื่องสันด า, านการหาด้วยที่ติดมาจากชาติพันธุ์ก่อนสันดาคนคุณมัสมบัติประจำใจเนี่ยติดมาเพราะฉะนั้นไม่ว่าแขกมาจากฝรั่งแล้วก็สันดานแล้วก็ติดเรื่อของชาติเก่าติดมากิริยาการก็เรื่องอบรมใหม่ได้ในชาตินี้ตามประเพณีวัฒนธรรมในสังคมนั้นๆ เ อ, อท่านผู้หนึ่งคือท่านพระจํานงคพัฒโรแห่งเบจุกิรีขันถามมาว่าศาสนาที่มีแหล่งกําเนิดในเอเชียใต้หรืออินเดียนั้นมีาาศาสนาสิกรวมอยู่ด้วยาาศาสนาสิกนี้แบบเดียวกับฮินดูหรือเปล่าและคําว่าสิงกับสะฮิตารีนั้นมีความหมายอย่างไร อ, อาาศาสนาสิกนี้ก็มาจากคําว่ า, า, าศาสนาที่เป็นลูกศิษต์นเองศิกขาหรือศิษาหรือศิษยะคําเดียวกันละครับ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 เป็นชาวอินเดียภาคเหนือครุนานักเทศเนี่ ย, าายอ่าคำขวัญประจําำสนานี้ที่ครุานานะเป็นผู้ประสิท ธ, ธิประสาทคือคําว่าไม่มีฮินดูไม่มีอิสลามมีแต่พระวิจ้าที่เป็นองค์แห่งสัจจ์พระเวเจ้าในาสนานี้เรียกว่าอากาลบุรุษอากาลบรุษคือบรุษที่ไม่มีการอธิบายไปอธิบายมาก็คือพระพรหมนั่นเองถึงไม่จะเรียกชื่อเช่นใหม่ ความจริงก็มีลักษณะคล้ายๆชมในฮินดูนะาศาสนาที่เกิดขึ้นในสมัยที่ศาสนาอิสลามเข้ามาเป็นใหญ่ในอินเดียแล้วก็มีการกดขี่พวกฮินดูให้เปลี่ยนาศาสนาคุรูนานักเทศจึงต้องการจับสมานสมาธิขขระหว่างสาชสองาศ า, าสนานี้ได้ตั้งศาสนาลัทธินี้ขึ้น ม, มาอาผลก็คือว่ามีลูกศิษทั้งที่เป็นฮินดูทั้งที่เป็นอิสลามแต่ว่าผลแห่งการรวม ของศาสนาแทนที่จะประสานกมัครยิ่งสำเร็จกลับกลายเป็นว่าได้เกิดศาสนาใหม่อีกศาสนาหนึ่งคือศาสนาที่สามเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการรวมศาสนาก็ดีการรวมมีกายก็ดีไม่มีทางสําเร็จได้ในโลกยิ่งรวมไปก็ยิ่งแตกแยกกลายเป็นมีกายที่สามนี่เป็นศาสนาที่สามขึ้นมานี่นี่เปข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์นะเพราะว่าหนึ่งจิตใจเนะ่ะใครจะมาบังคับกันไม่ได้ถึงไม้จะรวมกันในระยะแรกมันต้องไปแตกในตอนปลาย ศาสนาติกจึงเป็นศาสนาทิกเกิดขึ้นจากฮินดูจากอิสลามเอาคติธรรมทั้งฮินดูให้อิสลามเข้ามาผสมผสานกลายเป็นศาสนาติกแล้วก็ต่อมาถึงสาวซดาอง์หนึ่งชื่อว่าโควินเทสิงซึ่งมีชีวิตในร่วมรัชสมัยกับพระเจ้าอรังเศษจักรพรรดิแห่งราชวงศ์โมกุลซึ่งเป็นคาสักอิสลามปกครองนครเดดีในอินเดีย อาได้ทำสงกลามกับพระเจ้าอรังเตศโควินทสิงห์เนี่ยก็เมื่อโควินทสิงห์ตายลงก็ไม่ได้ตั้งทาญาติให้เป็นศาสดาต่อมาต่อมาศาสนาสิกตายจากโควินทสิงห์ก็ถือว่าตายจากโควินทสิงห์แล้วมีศาสดาอีกแล้วคือเอาพระธรรมคัมทีร์เรียกว่าอาทิขันในศาสนาเป็นศาสดาทํานองเดียวกับพุทธศาสนาถึงเอาพระตรปิดกเป็นศาสดาเอาธรรมวินัยนี่เป็นอาปาคจนนี่เป็นศาสดา ศานาศิษก็เอาคำทีอธิคันเป็นศาสดาแต่ว่ายังมีศิษยอีกลกลุ่มหนึ่งในแยกมีกายออกมาอีกจะมีกายที่สองใน ว, ว่า น, นีกายอ่านามาธารีมีกายนี้นะ่ะถือว่ายังมีศาสดาที่สืบเชื่อมาจากโควินทศร์ไม่ขาดสายแม้กระทั่งปัจจุบันยังมีศาสดาอยู่สิษย์จึงมีมีกายใหญ่ๆสองมีกายคือเราสังเกตนะจะเป็นสาวกในมีกายไหนมีกายที่โผล่ผ่าแล้วมีแหวกการ แหวกกลางอะผ้าสีต่างๆแลแว้วแหวกกลางนีกายนี้จะมีกายที่ถือว่าถือเอาคำภีอธิคันเป็นศาสด า, ศ า, ศาถือเอาศาสด า, าโคบินทศนิเป็นคนสุดท้ายส่วนแขกที่โพวกผขาไม่แหวกกลางพวกเลยเป็นวงกลมใช้ผาขาล้วนโผลเป็กไม่ใช้ภาษีโผกแล้วก็โดยแหวกกลางด้วยแขกพวกนี้ยังเป็นพวกศินิกายนามัทารีถือว่า ยังมีศาสนาที่สืบมาจากโควินสิงห์กระทั่งถึงปัจจุบันนี้ยังมีชีวิตอยู่มาเมืองไทยบ่อยๆศาสดาพวกนี้มาบ่อยๆศูนย์กลางของศาสนาสิกเนี่ยอยู่ที่เมืองอมริษาหรือเมืองศาอมฤุษในปันจาบอินเดียภาคเหนือติดกระชายดอประเทิดปากีสฐานนี่มีโบสถ์ทองคําสวยงามมีศาสนาสิกเป็นศูนย์กลางของศาสนาสิกอยู่ที่นั่นคําว่าสิงห์กับสิกนี่ยไอสิงห์เนี่ยบางกับบางจะคําว่าสิกครับ เาะสิกเนี่ยแปลว่าลูกศิษย์โดยความหมายคำว่าสิงที่นี้น่ะเป็นคาที่ท่านศาสดาโววินศิษยน่ะประดิษฐานขึ้นเพื่อที่จะปลุกใจให้บรรดาชาวศิษย์จับดาบสู้กับพวกอิสลามที่มาทาลายพวกศาสนาศิษย์เขาเพราะฉะนั้นพวกที่ลงท้ายว่าสิงสิงสิงรารู้แล้วตรงนี้เป็นพวกศิษย์เนี่ยพวกสิงสิงเนี่ยลงท้ายส่วนคาว่าะหิศิรีเนี่ยเป็นคำความหมายของศาสนาศิษย์ เหมือนกันในทัมนองตสัจพฤษติพุทธธรรมรงไว้ซึ่งศาตนาสิกาขาเนี่ยความหมในข้อนี้มีอยู่อย่างนี้นะฮะท่านปุญญากาตามโมพิคโคถามว่ามนุษย์นี้เกิดมาจากพวกพรมลงมากินงวนดินในต้นปฐมอากับนั้นความจริง ต, งตามหลักพระอภิธรรมกล่าวว่าพรมนั้นไม่มีเพศหญิงเพศ ช, ชาย ฉะนั้นจะเกิดมีลูกหลานสืบสืบต่อกันมาเป็นมนุษย์ทุกวันนี้ได้อย่างไราข้อนี้คืออย่างนี้ครับความทรงกินแล้วก็ความทรงจำเสื่อมเผอกรธรรมโลกไม่ได้เสื่อมหมดแล้วการเป็นมนุษย์ไปยรัศมีก็ตกโอภาษก็ไม่มีหมดหมดฐานะความทรงจำการเป็น ม, ม, มนุษย์ในโลกนี้แล้วต้องถือว่าจิติจับธรรมโลกแล้วโดยทุกตีนัยเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยข้อนี้ครับ อ่าท่านสุตะวังโสพิขุถามมาว่ามีคนคนหนึ่งมีมัจฉริยะคือธรรมดาแล้วขี้เหนียวเหลือเกินแต่ตรงกันข้ามเมื่อดื่มสุราเข้าไปแล้วเป็นคนใจบุญสุนทานคือทําบุญไม่อัานไม่ว่าใครจะให้ทําอะไรเป็นทำทั้งนั้นอยากทราบว่าเขาผู้นั้นจะได้บุญหรือไม่อธิบายด้วยจะได้บุญหรือไม่ต้องอยู่ที่บาราทมิตในขณะที่เขาทําไปน่ะเขามีความรู้สึกที่เป็นกาฆะหรือเปล่า มีความทำไปแล้วรู้สึกผ่องใสในการที่ตัวทํำไปแล้วรู้จาว่ามีความรู้สึกเป็นจาระในขณะที่ทํามีความรู้สึกที่ผ่องใสก่อนทํากําลังทําและทําแล้วเป็นบุญร้อยเปเซ็นพราะคนกินเหล้าน่ะบางคนกินจนอาจินเน่ยครองสติไม่ได้ก็มีนะครับกิจนจนนั้นเนี่ยกินน้ำน้ำําข่าน้ําปากกาเนี่ยเป็นเรื่องเล็กเลยแม่โขดต้องโ ข, ด, ข, งขดเนี่ยสติสัมปชัญญะยังไม่ถึงกับเสียไปก็มี ถ้าในกรณีอย่างนี้แล้วเขอาจจะมีความสุขพอใจเป็นสุขว่าเ้าได้ทําบุญเทีนี้เขาก็าได้สิครับแต่ถ้าไม่มีความรู้สึกดังกล่าวก็ไม่ได้ไม่ได้ทํำไปแบบโมหาเนี่ยไม่รู้เรื่องทําไปอย่างไม่รู้เรื่องนี่ใครมาว่าแล้วก็ยกยกส่งส่งให้ไปถึงจะได้ก็เหมพูดยากพูดากเต็มทีเนี่ยก็ จ, จะไม่มีความหมายเลยนี่สำหรับข้อนี้นะครับเอ่อ ทันโพโพศรีพิคุถามาว่าผวังกับจิตต่างกันอย่างไรทําไมพระเดี๋ยวนี้จึงทาผวังจิตไม่ได้และมนุษย์เราสามสิบสี่สิบปีทําไมจึงไม่มีลูกหรือเป็นเพราะําแต่งจํากัดสัตว์เท่านั้นอ่าผวังกับผวังเนี่ยผวาเน่ะคือความมีความเป็นขั้นดังเรื่อสามการมาผวาลูกกับผวาลูกกับผวากามาพบลูกกพบกูกกพบนะฮะส่วนจิตน่ะหมายถึงธาตรู้ ถ้ารู้ธรรมชาติได้รู้คิดรู้นึกปรุงแต่งในอารมณ์เจ็บสังสมได้ในอารมณ์ธรรมชาตินั้นคือวิจิตเนี่เพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงพบก็ต้องหมายถึงจิตเพราะพบเรากําหนดได้จากภูมิของจิตถ้าไม่มีจิตแล้วพบก็ไม่มีความหมายเนี่เพราะฉะนั้นภวงังคภวังกตจิตเนี่ยเมื่อบวกกันแล้วก็เป็นภพราะว่ากจิตก็บวกกันแล้วก็เป็นภวังกตจิตหมายถึงจิตที่เป็นองค์ของทบ หรือติดผู้ครองเพชรคือคลองความเป็นเจ้าและกามาพบรือกระทบอรมณ์กระทบเดเป็นอย่างนี้ที่ท่านถามว่าทำไมแค่นี้จึงทําผวาจิตไม่ได้ทํามันจะทําไม่ได้ครับเรามีพวังอยู่ทุกขณะนะเดี๋ยวนี้เนี่ยขณะคุณเจ้าก็มีผวังิตกันตั้งดีแสนปวดขณะก็ไม่รู้ทบทบทิถีที่เรารับอารมณ์เมื่อจะเป็นอารมณ์อารมณ์หนึ่งติดต้องรู้ผวาจิต่อทุกครั้งไปทําได้แล้วไม่ต้องตั้งใจทํามันเป็นอัรมน์ไติดตื่นไปเองด้วยครับท่าน มันเป็นเองไม่ต้องไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปตั้งใจทํามันเลยมันเป็นอารมณตอิจิตึไปเองเมื่อสุดวิถีจะเป็นอารมณ์หนึ่งแล้วมันต้องลงผวังแล้วก็ขึ้นรับอารมณ์ือื่นหม่แล้วก็เสร็จแล้วก็ลงผวังอีกถ้าไม่ลงพวางกราบได้เปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้กราบนั้นนี่เพราะฉะนั้นมันเป็นอารมณ์อิจิตึเลยทำไมชาติแล้วมันต้องไปตั้งใจทํามันก็เต็มอยู่แล้วครับเรื่องนี้อ่าที่ท่านถามนะคุณยมายถท่าี่ยว่กับทาสมาธิก็มังครับเพราะว่างจิตไม่ใช่สมาธินะครับไม่ขาดไม่ใช่สมาธิ สมาธิต AH eh? so ้องอยู่ต้องพ้นพลังถ้ายังเป็นผลาญอยู่เป็นสมาธิไม่ได้ในฌานอมิสีน่ะจิตต้องจิตต้องขึ้นจากพลังแล้วในฌานอิถีน่ะจิตตกผลาญไม่ได้ถ้าตกผลังก็ไม่ใช่ฌานไม่ใช่อยู่ในฌานในสมาธิจิตกำลังการจิตลงผลังไม่ได้จิตเข้าพลังนะครับก็ถ้าเป็นสายชาวบ้านผู้ธรรมดาไม่ใช่ไม่ใช่อภิธรรมพูดจิตเข้าพลังก็คนที่ว่า นั่งกะโหลดี้ไม่รู้หนุ่ยหนุยไหนนั่งเมื่อไอ้คนนี้กำลังตกผวังอยู่นั่งเมื อ, อความหมายชาวบ้านเนี่นตกตกาายนั่งเมื อ, มาามอตาลอยไม่เป็นส่งใจลอยไปที่ไหนก็ไม่รู้นี่ติดตเข้าตกผวางังกําลังตกผวังอยู่คุณคนนี้หรือคนที่ห ล, ลับสนิทหลับสนิทเจ้มีฝันก็ตกผวางังนี่แต่ถ้าตามคัศนะทางอริธรรมแล้วคําว่าตกผวังเน่ะเป็นพุกข์ขณะเปลี่ยนอารมณ์เลยวันหนึ่ง ก, ก็ตกต ก, ต ก, กี่โกีธกี่ร่ามขนาดก็ไม่รู้วันวันหนึ่งนี่ เพราะฉะนั้นนี่ตามแนวปรมัดก็เป็นอย่างนั้นนะครับอไม่ไม่คล้ายทีครับคล้ายไม่ได้ทีเดียวอะ่ะเพราะว่าจิดต่พระวังนะ่ะจุดมันว่างไม่ได้ในพระวังก็ยังมีอนุทัยกิเลสในพระวังก็ยังมีตรรมกรร ม, มาอารมณ์นิมิตธรรมนิมิตอารมณ์คตินิมิตอารมณ์อันใอันหนึ่งอยู่นี่ครับจะไปจะไปว่างจากโลภะโทสะโมหะไม่ได้ในพวังนะครับเอ่อ ไม่ได้อันนี้ก็ถ้าอย่างนั้นจำจะตามไม่ได้อย่างไรล่ะระวังไม่ได้ ต, ดต่อจะปฏิสังขิกันในขณะที่จู่ติดจิตตนณะขณะนั้นเะราก็มีอ น, นูซ้ายอยู่ในจู่ติดจิตจันะจูติดิตน้ำพิงทำมาสิตเปลี่ยนพดเท Legacy นั้นเองนะครับเปลีรร่ยนพดเทนั้เองคล้ายๆนี้คล้ายๆคนเราเนี่นะเปลี่ยนยูนิฟอร์มออกจากตัวเท่านันเองพอยูนฟอร์มทหารออกเอายูนิฟอร์มอประชาชนสามัญราษฎรธรรมดาแต่งสากน ออกจากสาค น, า, นายืนในฟอร์มทหารใสเป็นการถอดยูนิฟอร์มเลยเองได้แล้วบริเตนเลยอนาสายนะุรรนาสัยน่ะเป็นจิตตะพังตะยุตเป็นป๋ารรมเนตรธรรอนุสัยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่กับลูก็ระทานไม่ได้ไม่ึ้นนามมาทำยาแฝ้อยู่กับลูกประทาไม่ได้ มาสนุกมาทำครับวาสนานี่เราไม่ถือเป็นกิเลสนะครับไม่ถือเป็นอนุสัยอุปมานี้อุปมาว่าปู้เราอบด้วยมากเครื่องหอม อบด้วยเครื่องหอมอบมานานแล้วต่อมาเราเลื่อนเครื่องหอมนั้นออกเครื่องหอมยังติดเป้าอยู่ฉันใดวาสนาก็ฉันนั้นแม่เพเลยจะถูกถอนแล้วคือเลื่อนเอาเครื่องหอมนั้นออกไปแล้วทิ้งจะแล้วเผาไปแล้วแต่กลามหอมยังติดอยู่เป็นวาสนาไม่ได้ถ้าวาลูกไม่ได้ครับกิเลสติดอยู่กระจิตเกิดกระจิต ด, ดับกระจิตเมื่อเกิดกจะลูกดับกระลูปไม่ได้ เพาะรมห์ที่กระโดดนี่นกระโดดด้วยใจเท่ า, านั้นแหละล่ะอาอนุใส่บอกรราดูสภาว่าแจ่มนะเพราะอานุใส่นี่นะอุกมาเหมือนเมล็ดมะม่วงเมื่อเป็นเมล็ดมม่วยอยู่เราจะมองในหุนต้นใบ ด, เบ ด, ดงเจริญศิษยจะทาดุจดองเนั้นใะช่ไ้สันถามนี้ง่ายใช่ไหมฮะตอบยากจะตอบบอกว่าเม็ดมะม่วเมืนี้น่ะบอกมีต้นหรือใบใช่ไหมผมตอบกั่านไม่ได้ ขณะนี that, it it like death, right? thin, ่ม kind of ีไต้นใบมันต้องมีเหตุปัจจัยมาครอบเมื่อก่อนต้นใ้ถึงจะอกเหมือนกันเหมือนกับมือนกับิธ่ท่านบแบบว่าอารุสาย่ต้งเกิจกระทอย่างนั้นใช่ไหมเหมือนกันครับเหมือนกับประเด็นนี้แหละถ้าอย่างนั้นท่านไหนจะตั้งปัญหาบอกว่าโสดาปฏิมรคจิตโสดาปฏิผลิตอารุสายมีหรือเปล่าถ้ามีทาดำทาขาวทาดาทาขาวสังขรกันเน่ไม่ได้ดิ มัคคิจโพลิจยังมีอนุสัยขึ้นเป็นอารมณ์หรือเปล่าอนุสัยเป็นเจตสิกหือเปล่าถ้าคิดว่าอนุสัยเป็นอารมณ์อนุสัยเป็นเจตสิกธรรมใช่งั้นทำดำทำขาวฝังข้าวกันผิดหลักของสภาวธรรมนั่นแหละเข้าไปดึงอย่างกระจุยนจังขานนี้อ่ะ้เลสนะอานุสัยขีเลสนะมีอยู่ในโสดาบติมัคคิจโสดาติโกิจก็มีพรพระโสดาน่ะตัดแต่สังโยชน์ําสังโยชน์โสมที่ท่านตัดไม่ได้ จะหายไปไหนสิ่ะถ้าจะบอกว่าไม่มีเลยอ่าถ้าไม่มีเลยนั่นโซ uh ด, ดาปฏิมาธิตโซดาปฏิพลวจิตจะต่างอะไรจากอาหารจมักอะธิตอาหารจะพลิจิตอะจะต่างอะไรกั น, น, น, น, น, กนถ้ า, าว่าไม่มีทั้งโย่บุ้งถุงก็ไม่มีเลยขณะนั้นแล้วก็จะต่างอะไรกับมักธิติพลวิจิตกับอาหารต้องมีอะไรต่างกันสิไอ้ข้อต่างกันก็คือว่าแม้ในขณะโซดาปฏิมาธิตโซดาปฏิพลจิตนั่นแหละอนุสาย์ตมีอยู่ด้วยในขณะนั้นแต่ขณะนั้น่ะ อนุไซเหล่านั้นอ่ะมันมีพฤติกรรมก็คืออย่างนี้ ม, มีพฤติกรรมเหมือนกับเม็ดมะม่เง็ดเอาต้นใบเอาไว้ขณะดนั้นไอ้าาที่บอกว่าไหนซี่เม็ดมมาให้ดูสิที่ไม่ได้ผาก็ไม่เห็นไปผ่าตัวเป็สนซอยเ ม, ม, ม็ดมะม่วกมาก็ไม่เจอต้นเจอใบต้องรอปัจจัยมันเล่นเล้าเสียก่อนมันไม่ยังงอขึ้นมาฉันใดขณะมักจิตก็จิตของพารายาบุคคลด้วยต่ำก็ชั้นนั้นแบบนี้อนุไซหอย่างที่ท่านว่านี่แหละอาุไซหมดนี่แหละว่าสนามจิตอยู่มาเรือ แต่วัฒน้ําอย่ยลูกใส่นะอย่าไปตกลงลูไใส่เลยครับวัฒนาเนี่ยวาสนธรรมทำไปโดยที่มันมีเจตนาเป็นเครื่องสยุัต์เลยทำไมได้วยความเคยชินเพราะว่าอบรมมานานหมอนกับเราอบขึ้นหอมในตู้หรือเราเอาขึ้นหอมออกออกตู้ก็ยังหอมอาวันนี้เดยสามชแล้วครับเห็นจะพอทุกคนเห็นเวลานะครับปัญหาต่อข้างไว้ก่อนนะนี่เพราะเจ็บจนเพียงเท่านี เพราะฉะนั้นเมื่อขรั้งดูที่แล้วได้พดค้างเอาไว้เพราะว่าไม่สามารถจะพูดไปจบผมไปในระยะเวลาเพียงขึ้นเ ม, มงเศๆได้จึงต้องมีภาคสองที่นำมาพูดในวันนี้ต่อมาสำหรับการสมุจรปร า, าบาทำนั้นท่านที่ไม่ได้มาฟังในคราวต่อนอาจจะมี่ากาศบางอย่เงเนื่องกันเราจึงจะขอตันไปดูอความสำคัญในคราวที่แล้วที่ได้พดค้างเอาไวา้ คือก่อนอื่นเราต้องทำใจในจับสองจับจับหนึ่งคือปฏิจจสมุปบาทธรรมอันหนึ่งอีกจับหนึ่งคือปฏิจจสมุปทานธรรมอีกอันหนึ่งปฏิจจสมุปบาทธรรมหมายถึงว่าธรรมที่อาศัยการเกิดพร้อมกันปฏิจจสมุปทานธรรมคำว่าปฏิจจหรืออาจว่อาศัยหรือการประทุมพร้อมแห่งเกิดแต่เพราะปฏิจจเนี่ยแปลว่าอาศัย อาศัยอะไรอาศัยความประจุการเกิดขึ้นต้องให้งเหตุปีกปาระคือความเกิดขึ้นเมื่อเท่าสที่แล้วก็เป็นปฏิจจ ա บวกหนึ่งบวิปีการะเป็นปฏิจจสมุปปารแปลว่าทำที่อาศัยการประจุคล้องการเกิดขึ้นปฏิจจสมุปปาระทแปลว่าทำที่อาศัยความประจุคล้องกันเกิดขึ้นที่อันหนึ่งปฏิจจสมุปปันะทำคือปฏิจจบวกปุปปัญะ แปลว่าทำซึ่งเกิดขึ้นจากทำไอ้อศัยสัจใจกระชุมพร้องกันแล้วเป็นปฏิจจสมุขปันในธรรมนี่นอันหนึง่งเพราะฉะนั้นจับวปฏิจจสมุขปันในธรรมหนึ่งจับวาปฏิจจสมุขปันยะธรรมอีกหนึง่งเราจะต้องแยกแยะอ่าให้เห็นข้อความแตกต่างในระยางธรรมทั้งสองอันนี้ในมติเรื่องอัจฉริยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่านกระดันจ่าทุกตกเต่าได้อธิบายในยะของปฏิจจสมุปบาทต่ยคำไว้เป็นสีในยะเดียกันก็อันที่จริงถ้าเราพิจารณาดูในอากอิสถาแหน่ในบาลีตะแปนขั้นโตเตชนวานในมหาอุทานตะวตะดีหรือว่าในตัญญตตกายทานวะะัตก็ดีเราจะเห็นว่าพระครูมีสภาพปูกระแดงปฏิจจสมุปบาทโดรรมในยะแตกต่างกัน บางครั้งทรงรแสดงโดยนัยะ12องค์ครบ12องค์บางครั้งทรงรแสดงโดยนัยยะ8องค์บางครั้งจรงรแสดงโดยนัยะ1องค์องค์ทำนะในปฏิจจตบาเนี่ยไม่ได้เหมือนกันทุกแห่งไปที่เป็นท้งนี้ก็เขาว่าเป็นยักยา้ายไปตามอัจฉาสัยและธรรมของจิตที่ได้รับรสจากรองค์นั้นแต่โดยปกตแล้วเมื่อทรงแสดงปฏิจจตัวบาสไปทำ ยังเพื่อถึงคือแสดงอย่างเต็มภาพเต็มแล้วก็แสดงครบทั้งสิบสององค์ท่านกระดมต่อพิชิตตูต่จึงได้เฉลยแก่ข้อข้องใจในเรื่อกับว่าพิชิตตู่าแสดงปฏิจัติการธรรมนี้โดยนายยะแต่ต่างกันแล้วเหตอะไรี่ท่านกระดมตอพิชิตตาแสดงไว้ในอาจจะคาถาที่สัโลหะอีโลธรีะตอ สัม โ, หโมหะมิโมีปกรณ์ น, นั่งเป็นอรตจักระวิพังอภิธรมวิพังพิพังขัาปกรณซึ่งเปน็นเล่นวิพังเล่นหนึ่งในอภิธรรมปริโยชทีเดียวท่าย้ไว้ดกันสี่ระยะในว่าหนึ่งเต็แดงตั้งแต่เบื้อนต้นถึงที่สุดอันนี้ระยะนี้เดียวอ่ะอันนี้รวมมาเทวนาในทืกจับวามตั้งแต่อวิชาปัจจยาตั้งข้าราตั้งขาราปัจจายาวิญญาณังเรื่อยไปกระทั่งชาติปัจจยา ราบารณะโตกกับปริบเดวะดุขโดมัมนักอิตายาสะพร้อมทางกองทิกตระเวนมาแห่็แต่งทึกอย่างใหญ่เกิดขึ้นที่เดียบแสดงใ น, นนัยยะนี้ครบครั้งสิบสององค์ตั้งแต่อวิชากระทั่งถึงข้าเป็นที่สุดครบทั้งสิบสององค์นะอันนีุโยว่าอนุเรมาเทศนาในแสดงตามอนุเรมาเทศนาในนี้ เ, เนานาปเน็นนัะนานา ย, ย, นยะประการหนึ่งประการที่สง พระูมีภาพเป็นแสดงปฏิจจาระมิตาโธรรมตั้งแต่ข้ามกลางไปถึงที่ติข้ามกลางที่ว่าข้ามกลางในที่นี้จับความตั้งแต่เวทนาเป็นต้นเวทนาปฏิาปัญหาเป็นต้นทเดียวัญห้าปฏิยาอุปาานังอุปาดานังปฏิ า, ปาปไปยะไปเลอยกระทั่งข้าิราบนโตกับริเวส่เตโมนัอุปายา กระทั่งเป็นผประมวลมาแห่งกองฟุก้องบริมาอันเป็นตุลปิดท้ายเมื่อจับความในแต่เวทนาทําไมที่านผู้องมาจับควาในแต่เวทน า, าก็เพราะตรงตราลกับ ก, กับนั้นท่านมีตัวหน่วยเวทนาเป็นจุดบ้านเป็นทุกข์บ้างเป็นโสมนัสบ้านเป็นโภมนัสบ้านเมื่อตัวเวทนาเป็นอ่าตุกขเวทนาก็ย่อมเกิดปัญหาความติดใจในเวทนานั้นนั้น เกิดนันติราคะวานโคเทนนักในอารมณ์อันเกิดแต่เวทนานั้ น, น, น, น, นประการหนึ่งถ้าหาว่าเกิดทุกขเวทนาก็ต้องการจะดิ่งโยนยเอทนไปเพื่อที่จะเปลี่ยนเอาอารมณ์ที่เป็นพอใจเข้ามาแทนที่ก็ห่วงก็มาจากตังขาอีกประการหนึ่งหรือ แ, แม้เกิดจากตังขาหรือเด้าเวทนาก็ยังมีโมหะเป็นธรรมสายเพราะว่าเวทนานั้นทุกขเวทนามีราคะเป็นธรรมสาย ทุกขเวทนามีปฏิฆาเป็นอันุสัยที่เบข้าเวทนานั้นมีอวิชาเป็นอนใสเวทนาทั้งสามนั้นไม่ว่าจะเป็นตุคเวทนาก็ดีทุกเวทนาก็ดีอุเบขาเวทนาก็ดีก็ยังมีอันใสตามนอนเลือกเพาเหตุทีท่สตว์ทงหลายเมื่อกำหนดหรือตามเป็นจริในเวทนาอันเป็นเสวยเมื่อเกิดตุคเวทนาก็ต้องการให้ดีตดยิ่งขึ้นเกิดนั้นที่ราคะ เกิดเป็นปัญหาก็ราะฉะนั้นเวทนาปฏิยาปัญหาถ้าพระหาก่าได้ดรับทุกขเวทนาก็อยากจะดิ้นรนที่ค้นไปเพื่ออาการที่ดิ้รนรนอยากให้ค้นไปเพี่อค้นไปเพื่ออะไรเพื่อไปรองรับเอาความอริยสัามาแทนที่อาการอย่างนี้ก็ยังเป็นอาการของปัญหาเป็นอาการของมันที่ราคพิจิตรหนึ่งอันนี้ต่างจากอาจารยนะ์นิสิตานะนิสิตานความเดือนนายเดือนนายที่ต้องการความดับ ไม่ต้องการจะเอาอารมณ์ที่เป็นติดเข้ามาเพิ่มเตือนทุกเจตนาที่ต้องการเค้นไปในสายที่ปัดจะมีนันีิราคะนั้นต้องการสลักดไออารมณ์ที่เป็นทิชนี้ออกไปเพื่อเอาอารมณ์ที่ครอบใจสมาทานติไม่ต่างกันต่างกันกับอาอาการวิธิธายราอย่าไปอย่าไปย้ำกับอาการวิธิธาคนที่มีวิธิธาเมื่อเจอวิถิธาก็ย่อมเบื่อหน่ายคั้นเบื่อหน่ายก็คลายกำหนับ ขั้นขาต่ำก็ย่อมมลุ้นขั้นหลุดพนก็ย่อมมียางรู้ว่าจิตเราหลุดพ้นแล้วมาปมาจีนข้าพ้นแล้วสมมาิจานีจะประหนึกอีกต่อไปก็มีอีกแจ้วเป็นอันจบเป็นเพียงแท่นั้นที่เป็นอาการของมิตรภาพส่วนอาการที่เป็นปัญหาอันเกิดในทุกขสมุภัยเป็นเป็นมูลนั้นมันต่างกันอยาเจ็บเพิ่มจากทุกขเวทนาอันนี้เพื่อเอทุกเวทนาอีกอันหนึ่งเข้ามาแล้เพราฉะนั้นอาการอันนี้จริงยังเป็นอาการแต่ิ้นซึ่งท่านเรียกว่ายังเป็น ว่าทัพาอันเป็นเครื่องหมายขอ้สิ่งเดียวกครื่องกดใจที่แตต่างกันอีกเพราะนั้นในรยะที่สองพองเป็นแดงตั้งใจเวทนาข้ามกลางใเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัญ ห, หาตัญหาเป็นปัจจัยให้เกิด อ, อุปาทานอุปาทานปจจทบทบเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์ทุกข์เป็นปัจจัยให้เกิดธาตรารณะโศกกริเกว่าทุกขโทมารณอุปายาตา ม, มาเป็นเทวีที่อันหนึ่งนี้เป็นระยะที่สอง ในยะที่สามพระผู้มีพรภาคเป็ น, แ ส, นแสดงตั้งแต่ที่สุดถึงเรื่องต้นอันนี้ดีกว่าปฏิโูมาเทศนาในที่ติดถึงเรื่องต้นคือจับความตั้งแต่ว่าอ่าพุกขกโมยมนณกปลาย่ายของเรานี้หรอมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นปัจจัยครั้นให้โยมโสมรณะจิการให้ควรพิจารณาดีอย่างนี้แล้วก็ประจักษ์ว่าเราท่าบที้แล้วเป็นเหิดเราจึงให้เข้าใจทาที่แล้วเป็นเหตุเราจึงมีข ร, รา มีทุกข์ก็ต้องกับไปดิเทวะต่างๆคขั้งที่เจริญนาไปอีกว่าถ้าที่หนอมมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นปัจจัยด้วยโสมอนาปิการไขเคลื่ยนได้ดีแล้วก็ไปจับว่าเขาทุกนี่เองเพราะว่าคือทุกข์เองจนปฏิโลดึงไปอีกคือย้อนถึงไปอีกว่าอพบมีอะไรเป็นปัจจัยมีอุปาเป็นปัจจัยอุปาทานมีอะไรเป็นปัจจัยมีปัญหาเป็นปัจจัย ปัญหามีอะไรเป็นปัจจัยมีเวทนาเป็นปัจจัยเวทนามีอะไรเป็นปัจจัยมีกษรายตนะเป็นปัจจัยกษรายตนะมีอะไรเป็นปัจจัยมีผัตจะเป็นปัจจัยว่าจะเรื่อยเรื่อยทีเดียวตามลำดับขึ้นไปนี่เป็นการดรอปตัวขึ้นตติรลนตติรลนเพลิงขึ้นไปที่อันหนึ่งคือตั้งแต่ว่าถ้ามีอะไรเป็นปัจจัยก็มาถึงบอกประจับบอกพกพกมีอะไรเป็นปัจจัยก็ไปจักว่าต่อเพราะอุกาทานออีกาทานมีอะไรเป็นปัจจัยก็เพาะ ปัหาปัญหามีอะไรเป็นปัจจัยต่อพระเวทนาเวทนามีอะไรเป็นปัจจัยก็เพรอัจจะอัจจามีอะไรเป็นปัจจัยก็เพราะว่ามีเจ้าเทาราญตระหนัอเจ้าเาาญตนะหนี้มีอะไรเป็นปัจจัยก็เพราะเจ้านามรูปนามรูปนี้มีอะไรเป็นปัจจัยก็เพราะเจ้าวิญญาณวิญญาณมีอะไรเป็นปัจจัยก็เป็นเพราะเจ้าสังขารสังขารมีอะไรเป็นปัจจัยก็เพราะเจ้าอวิชามาสุดแค่อวิชาอันนี้เป็นปฏิเรศมาเตวนาในซึ่งสี่นายักษ์กันนี่เป็น นี่เป็นมติของท่านพระดัมปารุสติโตไัยที่ท่านแสดงว่าย่างพิจารณาในสมเยมหาวิโมกอ่าวิพังคระอัจฉริยะแสดงว่ายางนี้อย่างที่ํามที่เจ็ดแสดงว่าอย่างนี้ในที่นี้เราขออธิบายถึงลักษณะปฏิจจาระมุตตาธรรมตามมติในกายเฉลวะว่าแต่นั่นปฏิจจาระมุตตาธรรมตามมติในกายเฉลวะไรนั้น มือขวัตจับอันเป็นตัวการหญ่ตอยู่สองตัวคืออภิชาหนึ่งัตัญหาหนึ่งอภิชาหนึ่งวัตัญหาหนึ่งในปฏิาระพปัตยธรรมพาเลระพปัตยธรมหาพัตยธรรมที่ได้ลงตรงตัแสดงได้ในอันคุตร่างกายจะติดจิบาทแสดงไว้ไ ว, ว่าทำที่ควรกำหนดรู้ได้ใ่อะไร คนกนหนรูปเนี่ยได้แต่น้ำหนึ่งรูปหนึ่งน้ำมันจะรูปปันจ่าน้ำหนึ่งรูปหนึ่งนี่เป็นคำที่ควรเข้าไปกำหนดรู้รูปเท่าพันนะอาชันที่ควรละคืออะไรปัาณน้าตัดสิปหาณน้าตัาิทเนี่ยคืออะไรนามรูปนี้เป็นประเด็นเดียวสิคนขับคนที่เขาไปกำหนดใหรูปเท่าปหาณน้าตสิทธิทั้งได้ด้วยงเอาทิพทางหนึ่งเพราะ ว, ว่า ป, ปัญ ห, า, า, ห า, าหนึ่ง คำชาหนึ่งเพราะวาัญหาหนึ่งเนี่ยควรแต่การเข้าไปล ะ, ขปะเข้าไปกหารําที่ยังสัิกาตัิตควรก็าไปทาให้แจ้งคืออะไรได้แต่นิทานหนึ่งทำที่ควร า, าไปเจริญเป็นเวนตัปปิตอุดมที่มีขึ้นคืออะไรคือมรดกเองแต่เพราะฉะนั้นในที่นี้เราจะเห็นว่ า, าเพ่เป็นแสดงปิจจิ ก, า, กาจะทำเช่นตัวละคือมื่อเอาคว า, อาว่าพละวันา อวิชาตะพะปัญหานี่ท่านว่าเป็นนกักเอกโตติเป็นนกักเอนะกโกตินักเอกโกติแปลว่ามีเรื่องต้นไม่ปรากฏเราก็ติด ส, สาวเรารื่อง ต, ต, ววอ ต, ต้นต่อว่าอวิชาตะเะปัญหานั้นมีปฐมเหตุอะไรเรื่องต้นมาจากไหนเลยปรากฏท่านให้ท่านให้กลับว่านกกักเอกโตติทําไมถึงเอาอวิชาตะเะปัญหาเน เป็นในฐานะเช่นเดียวกันความจริงก็เป็นอันเดียวกันเพราะวะ่าปัญหาใดอวิชาอันนั้นอวิชาใดเพราะอ่ปัญหาต่ออันนั้นแต่ท่านแสดงโดยสองนัยยะคือว่ากระองา์จัดที่จะไปถือปติเส่ในทุค ต, ติภูมิถ้าองค์แสดงโดยนัยยะแห่อวิชชาอํานาจแห่งอวิชาปาสัตไปปฏิเสธในทุคติถ้าหากว่าัตจะไปปฏิเสธในสุคติภูมิ เขาเองจึงแสดงเดินในยะแห่งพระปัญหาพระปัญหาเพราะฉะนั้นอาวิชานำศัพท์ไปสต่ปฏิสิงขิในคบน้อยคบใหญ่ภาวาภาวะคบน้อยคบใหญ่แต่โดยเฉพาะ อ, อ, อย่างนี้ถ้ามาคู่กับคำว่าพระปัญหาแล้วอาวุธาในที่นี้ท่านหมายมุ่งเอาว่าในปฏิสังขิเปนตัวนําองศัพท์ที่จะพาไปสู่ปฏิสังขิในทุกขปิถน เกีวกับาวะปัญหานั้นมัหน้าที่นำจัใตใดปฏิเสธในสุขติตพุทธิ์จึงอย่างนั้นรเราเหตุว่าสัดใดถึงที่สกัะพิษย่ยอมเจริ่มานบา้าเจริญมตนบา้เ า, บาเพื่อหวังความที่ตนเทียงในทพหน้าก็ดีเพื่อหวังเห็นว่าสวรรคเป็นของเที่ยงก็ดีเึงนธราโลกเที่ยงก็ดีสัตวนั้นย่อมตอบที่ภาะปัญหาเป็นปัจจัยเป็นแน่นแท้มีภวะปัญหาเป็นเป็นรากง้า เพราะว่าเพราปัญหานั้นในทีท่านแก้ได้แต่ปัจจัยทิฏฐิแก้จากตัวปัจจัยทิฏฐิมันเองที่บอกว่าปัญหาย่อมพาศไปท่องเทียนในทจทีจ่ทน้อยเป็นลาดับไปที่อันหนึง่งแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งเป็นปแสดงด้วยอานาจอวิชาเป็นปัจจัยทเกิดสังขารโดยลาดับนั้นแสดงแต่ศัพที่มีพุฏฐิริตปัพท์ใดนี่หนักในทิฏฐิจริตเป็ปแดงอวิชาเป็นลำดับต้น ันปฏิการพิรุษการจะทำเป็นลำดับให้ความแต่จากในข้ามมีตังหาจริตเป็นเครื่องมือก็ mm. เป็นแสดงวะาปัญหาเป็นเหตุต้นเป็นลำดับให้ความมีเป็นความยักย้ายแตกต่างกันระหวา่างว่าจากสองเราคืออาวิธา ต, ต ว, ว่าปัญหาเข้ามาคู่กันนะต้องแยกแยกกันอย่างนี้แต่พระฤา ษ, ษีเที่ยวเที่ยวไปแล้วก็เป็นแสดงอวิธานีแหละเป็นต้นรากหน้าต้นต่อของวัดต่าง ให้ทัวไปแต่โดยนัยยะพิเศษในกรณีที่ว่าถ้าทศทุตตะทุตตะที่มีคําว่าอริธาตวะปัญหามาตู้กันแล้วก็ให้ทำความเข้าใจอย่างนี้ว่ามีอาธิบายแตกต่างกันอย่างนี้ว่าอริธาเปนเรื่องต้นนั้นเปงแสดงกระจกที่หนักในพิศิจริตหากว่าเป็แสดงปฏิจจสมุทาได้ทันโดยนัยยะในภาวะปัญหาเป็นเรื่องต้นนั้นเป็แสดงกระจกที่หนักในปัญหาจริต อาจักผู้ที่จะถือปฏิปิณธิในสุคติภูมิเป็นแสดงโดยระห์นาคืออวิชาจักผู้ที่จะไปถือปฏิปิณธิในสุคติภูมิเปแสดงโดยราห์าคคือภาวะปัญหาอันนี้จําความเข้าใจในข้อแตกต่างระหว่างคาว่าอวิชากับภวะปัญหาที่มาคู่กันในในยักอันนี้เดือดแต่ว่าใีผู้อื่นไปละก็แสดงอวิชากับภาวะปัญหาท่านใช้คำว่าณสุคติ มีเบ the ื mountain. Mountain, ้องต้นใปลาเกลือเราะไติดตาเราเรื่อะไรเป็นต้นต่วันนี้มาตั้งแต่เมื่อไร่ี่ดต่ไม่ได้ดตามไม่ได้เบื่องต้นในปลาเกลือจริงจรเพราะว่ามันเป็นวงกลมมันเป็นวงจรหมุนกันอย่างนี้ตอวใจท่านจึงกล่าวว่าเป็นพระจักรจักรคือองค์นที่หมนต่อมันเองคำวิชาเดยกตินั้นท่านก็แสดงว่าได้แต่ความไม่รู้ในสัจจริความไม่รู้ในนามรูปโดยฐานะตามเป็นจริงง่ายๆว่ะ ความไม่รู้ในกลายลักษณะยานไม่รู้ว่านี่เป็นนี้เี่ยนี้เป็นทุกข์นีหนึ่ง เ, เป็นตัวตนอาการที่ไม่รู้อย่างนี้ก็ชือเป็นอวิชามันไงนเนี่ยเรื่ว่าสังขารในคาว่าอวิชาป็นตัจแฉใ้เกิดสังขารในที่นี้คาว่าสังขารในที่นี้น่ะยังมีบางคนตัดแฉผิดคือว่าในทางอาภิรรมนแบบทางตะกอนแต่วตุนยามสั้งขาโลอุ่นยามสั้งข้าโลอ่อันนึงางสร้งข้าโล กายจะสร้างข้าโลจสีสร้างข้าโลมรู ơi, สร้างข้าโลโดยบางครั้งใใรเราใช้คมาคิดจะสร้างข้าโลยอย่างนี้อา ญ, ญาลึ่จะติดสร้างข้าเลยนี่แหละที่ว่าสังขารอันนี้เป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นสังขารเพราะฉะนั้นในที่นี้เราจะมีกัรเหว่ากินยาเี็ ส, สังขารหมายเอาแค่ไหนกินยาเป็สังขารหมายเอาแค่ไหนอันเลี้าเป็นสังขารหมายเอาแค่ไหนท่านที่เคยเป็นนักศึกษาอภิธรรมมาแล้วก็ตป็นเข้าใจจะมีเวาเข้าใจเลย ในัตกคาสเมฮาอิโนชินีขั้นสุดยอดยอดว่าเป็นมลเสตนาที่เป็นกามาประจรูปตาป ร, ระจรติดสามเดือนที่เป็นไปในกามาประจรูีตาประจรติดในเตนาที่เป็นไปในจิตทั้งหมดนนที่นี่ติดสามเดือนนี่คือว่าปัญญาติดสังขานอันนี้เป็นปัญญาติดสามถ่านคือลเสตนาที่เป็นไปในจิต ที่ตปนการมาประจอนติ๋วตนกับลูกปลาประจอนติ๋วตนเมินทั้งหมดมีอยู่ติดสามดวงนี้ชื่อว่าอาปัญญาที่สังขารอาปัญญาที่สังขารอาปัญญาที่สังขารได้แต่อะไรเขาจะไแ้ว่าได้แก่เจตนาที่เป็นไปในอคติธุกิจติดสองดวงนั่นเองชื่อว่าอาปัญญาที่สังขารส่วอนเนาที่สังขารนั้นได้แต่เจตนาที่ตนไปในคารีอรีอาราประจนที่ว ตวอันนั <an> ้นคือว่าอันหนึ่งาตีสังขารอนอยู่ในปัญหาปัญหาตึงตับคำว่าใจจะสังขารจะจีสังขารจิตจะสังขารมีปัญหาที่มาบางท่านแก้ว่าใจสังขารตึงที่ไหนแกบอว่าได้แต่อัตราสัตอัตาสัตจะจีสังขารตึงที่ไหนได้แต่ฤทธิ์จุจารจิตจะสังขารตึงที่ไหนได้แต่สัญญาตัวอุนินาถ้าแก่อย่างนี้คือถ้าจะมายะในสังขารไหนปฏิจจคมปปาจะทำไม่ได้ คำวากายสังขารมีสังขารจิตสังขานั้นมีสองนยักษ์ในยักษหนึ่งคือกายสังขารโดยแต่วีจิตวิญญาณที่เป็นแต่ที่เกิดคำพูดออกมาถหาเกิดประจีกรรมประจีเพดออกมาพราเป็นรอจะพูดนะมันต้องมีวิตวิญญาณก่อนต้องยกติดขึ้นตัอารมณ์ที่เป็ดแต่พูดนั่งก่อนแล้ว ต, ต้องไตรตรองในอารมณ์นั่งก่อนถึงถึงจะหลุดอมาได้คาพูดเพราะฉนั้นทางนีกล่าวว่า กายยังสังขารคือวิตศวิจารนั้นตึนแต่ยาจาแล้วก็อ่าโอ้พี่อ้พี่ถือไปแล้วกายยังสังขารเนี่ยคืออัจจะปักระจากระพี่ถือไปไปบนกระบีกสังขารไปแล้วอ่ากายยังสังขารเนี่ยคืออัจจะจักปัจักระนั้นเป็นเครื่องที่ทาให้เรามีสีิตอยูได้ให้มีชีวิตยาวอยู่ได้อัจจะจักระจักระนี่วัตายสังขารเนี่ยคืออ่าวิเศิวิจาร ที่คแต่งวาจาออกมาเรียจิตจะสังขารนั้นได้แต่สัญญาแต่เวทนาจิตจสังขารได้แต่สัญญาเวทนาที่คุณแต่งจิตเป็นคุณะสอบจิตใจจะสังขารคืออาจารย์สภาษาศาสตร์ว่าที่สังขารคือตกใจจิตจะสังขารนั้นคือสัญญาแตเวทนา แต่ไมสังขานนรเลยก็ติดจะมีบาสนั้นไม่ใช่สังขารสามตามระยะนี้ไม้ที่จะเหมือนกันว่ากายสังขารก็ือสังขาริดสังขารแต่ไม่ใช่ตามระยะสาอันนี้ถ้าเป็นระยะสามอันนี้จิตยังไม่มีพัฒนาสัญญาจะมีได้อย่างไรนีไม่ได้นามรูปยังไม่มีอัตตาสัจจารจะมีได้อย่างไงมีไม่ได้นามรูป เวลาจตสำนักยังมีแล้วก็าจีเพจจะมีได้อย่างไรมีไม่ได้เพราะฉะนั้นจะไปแก้ว่ากายสังขารว่าจีสังขารจิตจสังขารตามมายากกว่ากายสังขารจิตอาจาริยะจับปัจจาระไม่ถูกประจีสังขารคือมีตึกอินทร์จันไม่ถูกหรือว่าจิตสังขารคือสัญญาเวทนาไม่ถูกไม่ใช่อย่างนั้นในย่อสามอันนี้ถ้ากล่าวไว้ในเกี่ยวกับการเข้าสัญญาเวทีตันนิโรธสมาบัติวา ที่เข้าสัญญาเวรในยิทร์มโรมาบัติั้งยอดดับสังขารสามสังขารสาคืออาจาร์ับกาาร์แล้วก็ที่ตกติจา์สัญญาเวทนาอย่างนั้นควรแต่ว่าในปฏิจจสมหวับไม่ได้พู่เรื่อนเปี่ยวกับสัญญาเวทิตรโร่ถ้งนั้นได้แต่อะไรได้แต่กายจะสังเกตนาจิสังจะเจตนากับมนสังจะเจตนาสังขารสามกายจะสังขารเต็มงายคือกายจะสังจะเจตนามนกันกายจะสังจะเจตนา ที่เป็นไปในงา ป, ประจอมสิ่งบ้าอากา ม, มาประจอมสิ่งบ้าเป็สามดวงนั่นแหละที่เป็นไปตามนั้นนี่แล้วก็ว่าจีสังขารเป็นทนหนก็ได้แต่ว่าจีสัญญเจตนาคือว่าเล่ากล่าวว่าจีกรรมเป็นคำกระดือหรผู้จะคุมกระดีหรือกล่าวปลุกตว a j าออกมาก็ดี เจตนาใดอันต่อร like ักษาในพร้อมกับอกุตุนสิจุบาที่เกิดขึ้นเพื่อก่าลสำสุวาจาอันนั้นเป็นปจิณสันเจตนาเจตนาใดซึ่งต่อรักษาเกิดขึ้นกับปิเตลสิจุบาพร้อมกับที่เราเปริ่ยนคำสะดุดพิพิตรคุณอันนั้นเป็นปิเตลเจตนาเป็นอย่างนี้